อ่าโอกาสนี้คณะท่านผู้บริษัทย์ได้พากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วสําหรับวันนี้ก็จะพูดต่อบรรทบรรทถ้าการเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนนิยามฝึกตรอมไว้ในวิธีการนะครับลมให้ใจเข้าออก คือว่ากําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะการรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเป็นการนะครับประการพื้นฐานของกิจคือว่าเราอธิบายกันมามากพูดมามากซึ่งไม่ยอมจะพูดซ้ําไม่อยากจะพูดซ้ําสรุปปณีก็จะปรารภเร 2 เรื่องก็ว่าโสดาบันกัสสิฐาธรรมนี้ต่อไป ดุว่าพระสุทธาปัญกสิกิฐาคามีละสังโยคได้เสมอกันแต่ดุว่ามีแต่อาการนะครับต่างกันหมายถึงว่าพระสิกิฐาคามีมีการนะครับที่ว่าธรรมะโลภะโทสะอูหะให้บาปาลูสําหรับพระสิกิฐาคามีเบื้องต้นเนี่ย หรือภาษากิตถาคามิมักนั่นก็ได้แก่เกื้อภัยทานซึ่งสําคัญเกื้อภัยทานที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็อาศัยพรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร 4 ถ้ามีอยู่ในใจก็มีแต่ความรักความสงสารปัดความอิจฉาที่ยากมีรุมวางเฉย ตัวชั่วและอารมณ์ต่างๆที่มันไปเห็ดทําลายอารมณ์จิตของเราหวังไว้สิว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ต้องจําที่ว่าต้องจําก็เพราะว่าบางทีพวกเราก็มักจะลืมไปเหมือนกันมักจะไปยุ่งกับกิจจาของคนอื่นอันนี้เป็นการไม่สงวนพูดกันมาทุกวันระวังให้ดีอย่าไปยุ่งความเป็นพระให้มันเป็นพระ อย่าทำตนเป็นโจรเป็นเลนจงเป็นเลนอย่าทำตนเป็นโจรคำว่าโจรหมายว่าปล้นความดีของพระพุทธศาสนากลับตรงใจคนตนเองเป็นสำคัญถ้าทุกคนกลับตรงใจคนตนดีแล้วมันก็ไม่มีเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นไม่สร้างคนอื่นให้มีความร้าวร้อนในการที่ไปเพ่งโทษคนอื่นจงรู้ตัวว่าเราเองคืนไป นี่จองรู้ 10 ตัวไว้เสมอรู้ 10 ตัวเราเลวมากจนกระทั่งมันขังอยู่ในใจไม่ได้มันจึง ursa ไหลมาจากทางวาจาแล้วไหลมาทางทางกายนี่มันจนกระทั่งมันไหลไปทางวาจาและทางกายนี่แสดงว่าความหรือมันล้นมาจากจิตนี่ข้อนี้ต้องคิดไว้เป็นประจำ อย่าถนงตนว่าเป็นคนดีถ้าดีแล้วปากไม่เสียกายไม่เสียถ้าปากเสียกายเสียมันก็เร็วล้นไอ้ความความเร็วมันล้นมีความดีไม่ได้นี่สิ่งที่เราเรียกกันความล้นอาการคนล้นจากความเร็วมันก็ต้องอาศัยพรหมวิหาร 4 มีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใครเห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วยและมีอารมณ์วางเฉยตามกฎของกรรมยอมรับนับถือกฎของกรรมและไม่อยากเพ่งโทษโจทความชั่วของตัวอยู่เสมออย่าไปโทษโจทความชั่วของคนอื่น ถ้าใจบัญญัติโทษโจดความชั่วของบุคคลอื่นแสดงว่ายังเลวอยู่ยังมีความอิจฉาในยาคนอื่นยังเลวอยู่พูดเสียดสีพ้อนแคะบุคคลอื่นยังเลวอยู่สร้างกรรมชั่วผิดธรรมอยู่ในมันยังเลวอยู่เพ่งอย่ามองความเลวในใจของเราเป็นสําคัญถ้าใจของเราไม่เลว เราก็ไม่มีการแทงโทษบุคคลอื่นไม่เสียศีลบุคคลอื่นไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นเนี่ยรวมถึงมีหาล 4 มีอยู่เมื่อสมมุติหาล 4 มีความละเอียดส่งตัวดีที่จะมีอภัยทานได้คําว่าอภัยทานเนี่ยมันมีกําลังหนักคือมันหนักกว่า ก็มีหารีธรรมดาก็มีหารีธรรมดาแล้วเรามีนี่ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วมีรักเรามีสงสารไม่ริษยาเกลียดเขาสําหรับอภัยทานนี่ต้องใช้อารมณ์สูงกว่านั้นว่าเราต้องขยับไปกับคนที่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นกับเรา สร้างความเดือดร้อนนี้ขึ้นกับเราแทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจะประบัดเรามีจิตคิดให้อภัยในความเนี่ยวของเขาโดยมีความรู้สึกคิดว่าบุคคลคนนี้มีสภาพเป็นทาสไม่มีความเป็นไทคําว่าทาสเป็นคนชั้นต่ํา <coughs> <coughs> เป็นทาสนักบงก์ก็นักบงก์ชั้นต่ําเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นต่ําเพราะย่อยังมีจิตเป็นทาสอยู่ยังไม่เป็นไทยอยู่ในเกณฑ์ถูกบังคับบัญชาให้ทําอยู่เสมอหากคุณยังดียังมีโอกาสหาความดีมาใส่ตนได้ถึงแม้ว่าเป็นทาส เป็นทาสของคนดูตัวอย่างนางบุญทาสีเป็นทาสของกหบดีรับใช้เจ้านายยุทรวิลาศไม่มีค่าจ้างรายวันก็เป็นทาสแต่ว่านางบุญทาสีก็ยังมีจิตเป็นกุศลมียอมรับนับถือความดีขององค์สมเด็จพระทศพลนายใช้ให้ไปธุระ คิดทางไกลนางก็ทําพื้นที่ด้วยรํากับไร้ข้าวปิ้งแล้วก็ห่อชายพกไปหวังจะไปกินตามทางในเวลานั้นปรากฏพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอานนท์เดินผ่านมาพอดีนางบุญฆาศรีลาคิดในใจว่าเรา เป็นท้ายเขาบางครั้งเรามีศรัทธาเชื่อพระแต่ไม่มีอะไรจะถวายบางครั้งเรามีของจะถวายพระก็ไม่เจ็บละหาพระอย่าวันนี้เราเจอองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอานนท์เรามีเป็นที่ทําวิรมกับหลายข้าประสมกัน พอชายพกมาแล้วเจ้าของอันนี้ถวายองค์สมเด็จพระพรหมศาสดาเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาใกล้นางก็นิมนต์ให้หยุดแล้วแก่ชายพกเอาเป็นถี่มาใส่ลงไปในบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใส่ลงไปแล้วนางก็คิดว่าตามธรรมดาของพระพุทธเจ้า <c oughs> ย่อมไปฉันในสำนักของพระราชาบ้างในสำนักของมหาเศรษฐีบ้างฉันแต่ของดีในของของเรานั้นเป็นของเลวกับพระพุทธเจ้าคงไม่ฉันแต่เถิดว่าอาศัยที่เรามีตั้งใจเป็นกุศลองค์สมเด็จพระทศพลจะฉันหรือไม่ฉันก็ช่างเราหวังถวายท่านเอาบุญเท่านั้น เมื่อนางคิดแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีนี่มองดูนาคพระอนุนี่เขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้โกรธถ้านนรู้ท่าชินิปูสังฆาสนะติโลงสมเด็จพระสมมาสะพระพุทธเจ้าก็ทรงวทัติตรงนั้นฉันเป็นจี่ของนางบุญทาสีในขณะนั้นกลางทางนั่นเองนางบุญทาสีดีใจเกือบตาย นั่งลงยกมือไหว้พระนมตลอดเวลาด้วยความเคารพพลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อสําเร็จเป็นสมณภาพพระพุทธเจ้าทรงฉันเสร็จโคมธนาเมื่อโคมธนาจบนางบุญทาสีก็สําเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นมิใช่ดังว่าความเป็นทาสของคนคนเป็นทาสคน ถึงแม้ว่าจะไม่มีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองก็จริงแหละแต่ถ้าว่าใจเป็นอิสระสามารถจะประกอบความดีจะคิดถึงความดีได้แต่เราจงคิดใหม่ว่าสําหรับคนที่เขามาสร้างความชั่วให้เสือนใจเรานั่นเขาเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม ชาติของกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมนี้ไม่มีทางที่จะคืนตัวได้ความเป็นอยู่ของเขาในสมัยชาติปัจจุบันที่เป็นมนุษย์เขาก็มีแต่ความเหล่าร้อนมีแต่ความเศร้าหมองจิตกิเลสเป็นทําจุดให้สมองตัณหาสร้างจิตใจให้ร้อนร้อนอุปาทาน เนี่ยการก่อความชั่วเป็นปกติถ้ากุศลและกรรมทําความชั่วตลอดเวลาคนที่เป็นทาสของกิเลสตายแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นคนแม้จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเกิดไม่ได้ต้องไปเกิดในอบายภูมินี่ถ้าบุคคลผู้ใดทําใจโศกเศร้าให้ร้อนด้วยกายกรรมทําด้วยกายก็ดี ในเมื่อมีการทําด้วยวาจาก็ดีเราจึงคิดว่าคนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนคือเขาคือสัตว์นรกในบาโยคุมนั่นเองเราก็คิดว่าถ้าเราจะไปต่อร้อต่อเสียงต่อเถียงเอกธรรมตอบเราก็จะเรี่ยวทําเขา เวลานี้จิตใจกําลังของเขาจมลงไปแล้วในนรกถ้าเราทําทําแบบเขาบ้างเราก็จะจมลงนรกเหมือนกันมันไม่มีประโยชน์จิตเราก็ระงับความโกรธเติมรากขันติโนมัยขาโนมัยขาเราใช้ก็ตรงนี้เฉยเข้าเร็วปล่อยเข้าเร็วไปแต่พอเดียว เราไม่ยอมเร็วด้วยนอกจากไลน์ก็มาคิดตรงอนิจจังอุปิโตเอ๋ยนี้ตัวเขาเองมากว่าจะมาเกิดเป็นคนได้นี่มันยากแสนยากคนที่มีจิตใจประเภทนี้มาจากนรกก่อนเดิมทีมาจากนรกต้องนรกซินระยะเวลาหลายแสนกัป ก็จะขวัญนรกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมาเป็นเปรตมีทุกขเวทนาอย่างหนักแล้วก็มาเป็นอสุรกายมีแต่ความหิวโหยแล้วก็มาเกิดเป็นศัตรูแห่งเทชั้นที่ไม่มีอิสรภาพเสวยวิลาญนานแสนนานจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาน่าจะรู้ 10 ตัว ว่ากรรมชั่วเก่าของเขาที่ทํามันให้โทษจังหนักน่าจะเป็นคนที่มีการกลับใจได้ดีสร้างความดีจากความเป็นคนให้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรเมื่อเขากลับก็หวนลงนรกอีกแบบนี้เกรงกลัวคนที่น่าสุสานคนให้อภัยเพราะเราทั่วใจของเขาไม่ใช่ใจคนเสียแล้วเป็นใจสัตว์นรก ควรให้อภัยเขาถ้าเราไปต่อสู้กับเขาไปถอนล้อโต้เสียงตอบแทนเขาด้วยการเช่นเดียวกันอารมณ์ของเราก็จะสร้างขึ้นไปนี่การให้อภัยทานขอให้อภัยกันอย่างนี้แล้วก็จําไว้ว่าถ้าบุคคลใดหรือพระองค์ใดเนรองค์ใดปฏิบัติอย่างนั้นก็พึงรู้ตัวว่า ราวจะมานั่งเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสักกี่แสนปีมันก็ไม่มีประโยชน์เลยกลับจะมีโทษอย่างหนักเพราะการเจริญกรรมฐานถ้ามีใจเลวให้กลายเป็นมายาหลอกลวงประคุณอื่นให้ลงผิดคิดว่าเราเป็นคนเพ่งพัดมัธยัสคิดว่าเราเป็นคนดีนี่อารมณ์ของพระสิกขิทาคามิเบื้องต้น อาการกรรมวิธีก็เรียกว่าสกิทาคามีมรรคยังไม่ใช่สกิทาคามีผลเป็นอารมณ์เรากําลังเดินเข้าไปหาความถึงพระสกิทาคามีเนี่ยหลุมอาการอย่างนี้เป็นพระสกิทาคามีมรรคผลต้นสนิทเพราะสกิทาคามีมรรคปฏิบัติอาการมาเช่นเดียวกับพระโสดาบัน คืนหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ชื่อว่ามรณาอนุสติกรรมฐานเมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็มีความไม่ประมาทคิดว่าตายเทียวนี้ต้องดีกว่าการเกิดภาวนี้ทั้งนี้เพราะรายกับผู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกก็ก็ต้องเป็นคนที่ดีกว่านี้ ไม่ใช่มีสภาวะอย่างนี้จึงมิฉะนั้นเราก็ควรจะเป็นเทวดาหรือพรเจ้านั้นเมื่ออารมณ์ของพระโสดาบันหรือโสดาปัตติมรรคคิดอย่างนี้แล้วจะพยายามควบรวมกําลังใจนึกถึงคุณความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มั่นอยู่ในคุณธรรมด้วยการ ที่รู้ว่าละมันอยู่ในคุณทั้ง 3 รายการนี้แล้วตายไม่ลงนรกแน่แต่ก็ยังเอาแน่ไม่ได้ก็น่าจะพลาดได้เราต้องปิดอบายภูมิในการรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์อย่างรีบเป็นอารมณ์ของพระโสณดาบพระสิงหะยังไม่ใช่อารมณ์ของพระโสณดาบพระติผล พอถึงพระโสดาปัตติผลอันดับแรกพอจิตเข้าสู่โกรธภูมิญาณในตอนนี้อารมณ์จะเริ่มเข้าจุดยอมรับรับถือกฎของธรรมดามันจะแก่มันจะคอยมันจะตายใจรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่มีความหนักใจ ใครก็จะกล่าวว่านินทาจะสนเสริมจะเสียดศีรษะอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ใช่จะไม่มีความไม่พอใจความไม่พอใจนี้ขึ้นมาสั่นตระงับได้หรือไม่โต้ไม่ตอบเมื่อไม่โต้ไม่ตอบเขาเราก็ไม่ทําด้วยอาการอย่างนั้นเราไม่ทําเห็นว่าเป็นอาการเร็วเมื่อเราจับธรรมดาเป็นปกติ